ดับต่อไปให้พงกันตั้งใจฟังแ่ะก็ตั้งใจปฏิบัติควบคู่กันไปพร้อมกับการฟังคือการปฏิบัติเราก็หาทมได้ยาก ยากที่เราจะตีกเวลาออกไปปฏิบัติคือการนั่งนั่งภาวานาถนือว่าเป็นการปฏิบัติมันไม่เหมือนเราทำงานไม่เหมือนแตเราจัดงานคือการปฏิบัติคือมีแต่การนั่งและก็จะต้องหาสถานที่ ที่ให้มันปราศจากการคุกคีหรือว่าเสียงที่รบ ก, กวนคือเราทำกันด้วยความสงบ <c oughs> ทำด้วยความสบายคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเราปฏิบัติ ที่นี่เราฟังไปด้วยเราก็ปฏิบัติไปด้วยการปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าเราจะไป <c oughs> ทำอย่างอื่นคือเป็นการฝึกฝนฝึกฝนจิตใ น, นการปฏิบัติ แต่ว่าเอากายมากระทาหรือว่าเอากายมานั่งสู้โดยทางกายแต่ใจนั้นเป็นผู้เป็นผู้กระทาเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ข้างในแต่ส่วนกายนี้มันไม่มีอะไร <c oughs> มีแต่นั่งอย่างเดียวโดยท่าทางอันสงบแต่ส่วนใจเนี่ย มันอยู่ภายในคือในร่างกายเนี่ยนะเราจะหาท่านผู้ดั้นนะ่ะจึงว่าเอาร่างกายมานั่งก่อนที่จะเอามานั่งเพราะอะไรก็เพราะเขาอยู่ด้วยกันคือมันมาอาศัยร่างซะก่อนตัง้งแต่เกิดมานโนนะ่ะอาศัยร่าง เนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันมาจนตลอดถึงทุกวันนี้แหละมันยังไม่ได้แยกจากกันเราจึงเอาร่างกายมานั่งเมื่อร่างกายมันมานั่งตัวเขาก็อยู่ด้วยที่เนี่เพื่อจะเอาร่างกายหรือปฏิบัติเพื่อหาร่างกายหรือเพื่อจะนำร่างกายเนี่จะไปสู่ สุกติสวรรค์หรือก็หายใช่ไหมร่างกายนะ่ะเป็นสะพานสำหรับที่จะให้เราเดินเดินข้ามก็คือเอามาทำน่ะเมื่อเอาร่างกายมาทำใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ก็ผู้ที่อยู่ข้างในนั่นะ ก็หาดูสิว่าผู้ที่อยู่ข้างในมันคือใครเรามีกันหรือไม่กนะ็หากันดูสิเราจะหาท่านผู้ที่อยู่ข้างในนะ่ะผู้ที่จะมาอาศัยร่างกายเนะี่ยมันก็ได้แก่ใคนะรล่ะก็ได้แก่ใจเราเท่านั้นนะ่ะเราจะปฏิบัติท่านผู้นั้นนะ่ะ ทำไมถึงปฏิบัติท่านผู้นั้นก็ท่านผู้นั้นเน่ยท่านก็อยู่ท่านมาตั้งแต่ดึกดําบรรพแล้วก็หลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันตามคําสอนของพระพุทธเจา้าแต่พระองค์นั้นน่ะทราบแล้วว่าการท่องเที่ยว หลายพบหลายชาบท่านก็บอกว่ามันหาที่สิ้นสุดไม่ไดนะ้ถึงจะมีที่สิ้นสุดแต่มันก็ยาวนานที่ในการท่องเที่ยวนะ่นะเที่ยวไปเที่ยวมานะ่นความสม่ำเสมอในการเที่ยวไปนะมันยังไม่พร้อม หรือว่ามันไม่เสมอไปอย่างที่เรามาในครั้งนี้แหละแต่เรามาเป็นมนุษย์แต่เราก็พร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติอันนี้เราก็ถือว่าเราดีแหละแต่ส่วนที่เราผ่านมาหละมันเป็นมนุษย์สมบัติหรือเป็นอะไรมาเราก็หาซาบไ่ ถึงจะเป็นอะไรมาก็าตามพระพุทธเจ้าท่านก็ยังจัดว่าความเป็นทุกข์ในการไปและการมาและการอยู่ของตัวเองนัมันก็ยังอยู่คงที่มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ยแต่ก็หาหนทางที่จะออกจากทุกข์แต่มันก็ออกไม่ได้ แลวมันก็ไม่มีทางไปพระองค์ก็จึงได้มาชี้หนทางเนี่ยหนทางออกก่อนพระองค์จะชี้หนทางออกนยก็พระองค์ออกไปแล้วนะคือออกได้แล้วคือมีตัวอย่างแล้วท่านจึงบอกพร้อมไปด้วยพระ อริยสงส า, กาวกเจ้าของพระองค์ท่านก็ออกไปแล้วนะทีนี้การออกออกไปเพื่ออะไรมันเป็นยังไงถึงจะออกมันมีความหมายอะไรการออกนั้นท่านว่าจะหาอะไรที่จะมาสุขเทียบไม่ได้จะหาอะไรมาเสมอเหมือนไม่ได้ ถือว่ามันเป็นยอดของความสุขและเป็นยอดของความความเป็นมงคลแล้วท่านจึงได้มาจัดแล้วท่านจึงได้มาชี้ชี้หนทางให้ออกให้ออกเหมือนอย่างท่านนี่ก็จะให้มันไปได้เหมือนอย่างท่านความหมายในการที่ท่านชี้บอกที่นี่การออก ก่อนพระองค์จะออกได้ก่อนพระองค์จะหนีได้ก่อนพระอริยเจ้าทั้งหลายจะหนีได้ก็ด้วยการปฏิบัตินี่หนะละเราก็มุ่งประเด็นในทางออกนะั่นแะแต่จะออกได้ <c oughs> หรือไม่ได้แต่ก็ความมุ่งความประสงค์ของพวกเรานะ ความเจตจํานงมันก็มีอยู่อย่างนั้นตลอดก็คืออยากออกนั่นแหะแต่จะออกได้เวลาไหนนั้นอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องแต่เราก็จะต้องการปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อออกนั่นแ่ะถ้าออกไม่ได้มันเป็นอะไรถ้าออกไม่ได้ก็เป็นบา ร, รมี คือเป็นบุญบารมีอันดับอันดับแรกเราก็ต้องการบุญซะก่อนนะั่นแหะถึงมันไปไม่ได้แต่ว่าบุญมันก็ยังเป็นสิ่งที่จะรับรองของการปฏิบัติของเราอยู่อย่าว่ามันได้ไล่คุณค่าก็ไม่ได้ได้ล่ประโยชน์บุญนั้นนะมันเป็นที่รองรับบุญนั้นก็เป็นที่รับรองเราอยู่ ก็เหมือนกับเราที่ผ <Would ads> ่านมานั่นอ่ะก็บุญนั่นแหละสนองเรามาเนี่ยก็เราจึงได้มาเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยทีนี้เมื่อเราทำไปแต่ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงเป้าหมายก็บุญนั่นหละบุญบารมีก็รับรองก็สนองก็จะสนองเราต่อไป แต่เราจะไปอยู่ชาติไหนพบไหนนะนั่นมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็แล้วแต่อำนาจความดีของเราที่จะตามสนองเราที่ว่าตามสนองนะ่ะมันสนองใครนะก็ให้เราคิดนะ่ะสนองผู้ที่อยู่ข้างในนะ่ะผู้ที่เรามาปฏิบัติ ที่เรามาหาเนี่ยก็เราหาดูสิเราก็ตรวจดูสิคือการตรวจของเรานะ่ะใช้สติและปัญญาเนะ่ะให้มันรอบค้อบกันเสบังอันไหนมันผิดอันไหนมันถูกเราก็ควรจะทราบโดยตนเองกันเอ่อกันเสบังเรามาผิด หรือเราจะมาถูกเราจะไปผิดหรือเราจะไปถูกเราก็พิจารณาโดยตนเองกันเสีบ้างก่อนที่เราจะพิจารณาได้ที่จะรู้แกงได้ที่จะเข้าใจชัดในตัวของตัวเองได้ต้องอาศัยความสงบเสียก่อน การปฏิบัตินี่ก็เพื่อความสงบนั่นแหละเราจะทำโดยวิธีไหนเราก็ต้องการความสงบแต่ความสงบนั้นมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกสใครเป็นผู้สงบก็ผู้ที่อยู่ข้างในนั่นแหละใครเราผู้อยู่ข้างในนี่นที่มันมากับกายนี่นที่กายพานั่งกันอยู แต่มันยังวุ่นวี่วุ่นวายยังกระโดดโลดเต้นของมันอยู่นะนั่นหละผู้นั้นแ่นนะก็จะหาผู้นั้นและให้มันสงบเดียเ๋ยวนียจะให้มันระงับแต่ความสงบของเขามันจะไปสงบตรงไหนเราก็ต้องหาสถานที่ให้เขาอีกที่หนึ่งและเราก็ต้องรูดสถานที่ของเขาอีกที่หนึ่ง เวลาเขาสงบนั้นเขาไม่ได้ไปสงบอยู่ข้างนอกนเขาก็สงบอยู่ข้างในน่ก็ในไหนก็นในท่มกลางหน้าอกเรานั่นแ่ะนั่นแหละสถานที่แม้แต่ความวุ่นวายของเขาเขาก็วุ่นวายตรงนั้นนะบางครั้งก็เหมือนกับอกมันจะแตกเนี่ยเวลามันวุ่นวายมา แต่เวลาสงบแล้วมันก็สงบท้งที่นั่นแ่ะเราก็หาสถานที่ให้เขาเน่ะเมื่อสถานที่เขาอยู่ตรงนั้นจาเป็นหรือเราจะไปที่อื่นจำเป็นหรือเราจะไปท่องเที่ยวเราจะเข้าไปหาสถานที่อันที่มันสงบนั้นจะไม่ดีหรือ เมื่อมันสงบแล้วมันจะเอาไปทําใหม่ก็มันไประ ง, งับความวุ่นวายนั่นนะอันที่มันวุ่นวายนั่นแหะที่มันปุ๊งสั่นนั่นแหะก็จะเอาไประ ง, งับมันเอาไประ ง, งับตรงนั้นนะแล้วมันสงบมันก็สงบลงตรงนั้นนะเวลารู้มันก็รู้ตรงนั้นนะเวลาสุกมันก็สุขตรงนั้นนะ่ะ เวลาบุญมันก็บุญอยู่ตรงนั้นมีบารมีหรือไม่มีมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นเราเข้าไปตรงนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยโดยวิธีไหนและทำยังไงมันจะเข้าไปได้ทางเข้าของเขามันอยู่ตรงไหนก็ทางเข้าของเขานั่นะ พระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วก็คืออนาปนาสติก็คือลมหายใจเข้าใจออกก็ ต, ตั้งเดฟライจมูกนี่แหละนี่แหละทางเข้าของเขาเขาก็จะเข้าไปตรงนี้คือให้เขาเข้าไปตามลมเวลาลมหายใจเข้าเราก็ตามเข้าไปหายใจออกเราก็ตามออกมา เข้าไปแล้วก็ออกมาอยู่แค่ปลายจมูกเราเท่านั้นลนะ่ะนี่นี่ทางเข้าไปทีเมื่อเวลาเราเข้าไปนะ่นะออกมานะ่ก็ให้มีพระพุทธเจ้านนะ่นะอันที่เรามีความคารพนับถือสักกระบูชาอย่างยิ่งนะก็ให้พระ อ, องค์นะ่ะตามไปด้วยนะจะไม่ดีหรือ ก็จะดีกว่าจะหายใจสิ้งเฉยๆไม่ใช่เหลือก็เอาพระพุทธเจ้าเนี่นะเข้าไปด้วยเวลาเราหายเข้าหายใจเข้าไปเนี่ยนะเราก็ว่าพุทธะเวลาออกเราก็ว่าโทษนี่สำหรับผู้ที่ที่ยังไม่มีความสงบในเบื้องต้นก็เราทำแบบนี้ก่อนนะ นี่ทางเข้ากันเข้าไปคือให้พระพุทธเจ้านั่นเข้าไปด้วยแล้วก็ให้ออกมาด้วยเราปฏิบัติท่านอยู่เพียงแค่นี้นะนี่การปฏิบัตนะินี่ทางเข้าไปนะเพื่อจะให้เขาเนะี่ยเข้าไประงับยับยั้งควา ม, มวุ่นวายเพื่อเขาจะได้นำเอาความสุขมาให้ตัวเขาเขาบ้าง เพื่อเขาก็จะได้นำเอาบุญเอากุศลนั่นไปให้เขาบ้างนี่การปฏิบัติก็อยู่ในร่างกายนี่แหละในระยะนี่มันอยู่ร่างกายนี่แหละทุกคนก็มีร่างกายแล้วหระกายเราก็เอามาใช้แล้วส่วนงานภายนอกเราก็ทาแล้วงานทางโลกเราก็ได้ประโยชน์กับเขานั่นแหละก็ได้ประโยชน์ทางกายนั่น แล้วก็พร้อมไปด้วยใจเนะี่ล้วก็ใช้เขาอยู่แล้วที่ในงานทางธรรมเนี่ยก็ให้มันมีบังงเ้วก็นำเข้าไปนําท่านเข้าไปสิเพราะธรรมะมันอยู่ตรงนี้นตรงที่ธรรมกลางเนี่ยเรียกว่ามัติมาก็คือความเป็นกลางกลางของโลก กลางของความเป็นกลางของความเป็นเป็นโลกที่ว่าโลกกรทำนะ่นโลกกระทำ ม, มันมีอะไรเขาเรียกว่าทำไปจำโลกก็ให้อยู่ในความเป็นกลางนะกลางรักกลางชั้ง คือความยินดีและความยินร้ายนั่นแนหะคืออย่าให้มันไปยินดีอย่าให้มันไปยินร้ายในอารมณ์ต่างๆจันวาแล้วให้อยู่ในระหว่างกลางระหว่างกลางทั้งสองนั้นตลอดทั้งอดีตดีทั้งอดีตความไม่ดีทั้งอดีตก็ให้อยู่ในระหว่างกลาง กลางอาดีตกลางอนาคตกลางอิทธาลมและอนิธาลมคือความยินดีกับความไม่ยินดีความยินดีนะยินร้ยนาย น, ะนะนั่นแหละนั้นเราให้ตั้งไปในถ้ำกลางน่ะเมื่อตั้งอยู่ในถ้ำกลาง น, ะง น, าางนะนั่นนั่ะท่านเรียกว่ามัจจิมาคือความเป็นกลางนะ สิ่งที่มันบังคับให้เราเกิดความวุ่นวายมันเพราะอะไรก็เพราะความยินดีก็เพราะความยินร้าน ะ, า ะ, นนานะนะทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตเราเอาท่านผู้รู้ของเรานะนะั่นแหะไปตั้งไว้ตรงที่ท่ามกลางน่นะแล้วก็ให้ตามลมเข้าไปเนะี่ยอันดับแรกก็ตามลมนะตั้งแต่ปลายจมูกนะ่ะ แล้วก็นำพระพุทธเจ้านะเข้าไปด้วยกนะ็คือพุทธโธพนระพุทธเจ้าก็คือพุทธโธนะ่ะจ่ไปเอาตัวตนของท่านหรอกเอาแต่ชื่อเอาแต่นามเอาแต่คำบริกรรมนะตามเข้าไปสิไปอยู่ในระหว่างความเป็นกลางนะ่ะเพื่อกาจัดอดีตบ้างเพื่อกาจัดอนาคตบ้าง เพื่อกาจัดความยินดีบ้างเพื่อกาจัดความยินร้ายบ้างก็จะได้อยู่ด้วยความเป็นกลางแม่อยู่้วยความเป็นกลางล่ะสันติก็คือความสงบนั่นะเริ่มมันจะเกิดขึ้นแห ล, ละแล้วมันก็จะเกิดขึ้นนี่ความสงบมันอยู่ตรงนั้นตรงที่ความเป็นกลาง ที่นี่เราทำความเป็นกลางไม่ได้เนี่ยมันลาบากเลนะ้เดี๋ยวมันก็ยินดีทางนี้เสียมันก็ไปยินร้ายทางโน่นเสยยินดีทั้งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ยินร้ายทางอาดีตที่มันผ่านมาแล้วมันเป็นอยู่สองะ่ะสองประเด็นนี่แหละกระโดดข้ามกันไปกระโดดข้ามกันมา แทนที่มันจะลงในระหว่างกลางมันก็ไม่ลงมันก็โดดไปกระโดดมา เ, เพราะฉะนั้นเราจะเอาความเป็นกลาง เ, เ, อ, าเอาความเป็นมัชจิ ม, มาในตัวเองเนี่ยมันจึงยากก็ไม่ว่าใครเละนะที่จะมันจะบรรลุเป้าหมายเนี่ยมันยากนะนี่แหละวิธีการที่เราจะเข้าไปเนี่ย จะได้บรรลุหรือไม่บรรลุ ก, ก็าตามเถอะอันนั้นเอาไว้นั้นก่อนแต่เราเข้าไปก่อนใหได้เข้าไปเห็นมันซะก่อนความเป็นกลางมันอยู่ตรงไหนเมื่อเราไปอยู่ด้วความเป็นกลางน่ะมันมันสงบแล้วมันสุขแล้วมันสบายแล้วมันตั้งมั่นแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่เฉยๆนะจะไปสุขอยู่เฉยๆก็หาไม่ แต่ไปตั้งมัน่นอยู่เฉยๆมันก็หาไม่มันก็จต้องใขว่คว้นใช้วิจารยานของตัวเองพิจารณาหาหนทางททางที่มันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาโดยวิธีไหนแล้วเข้ามาอยู่แล้วมันมีอะไรอะไรในที่อยู่ของตัวเองเมันก็จะต้องสํารวจ ท, ที่ว่ามันเป็นญานบ้างที่ว่ามันเป็นชานบ้าง ที่่ามันเป็นหูทิศบ้างเป็นตาทิตบ้างเป็นอิทิลิทีบ้างเป็นโมโนวายทิบ้างเป็นบุพเพนิวาส า, านุสติญาณบ้างที่นี่มันเกิดอยู่ในนั้นเราจะไปอยู่เฉยๆมันจะไปได้หรือธรรมะอะไรมันจะเกิดขึ้นก็เราก็ต้องดูเอาสินั่นแหละพวกญาณนนมันเกิดก็เกิดในนั้น นั่นอะจึงเข้าไปตรงนั้นอย่างไรเมื่อเข้าไปตรงนั้นน่ะสารพัดอย่างธรรมะที่มันจะเกิดขึ้นแม้แต่บุญทุกประเภทจะบุญใกล้บุญไกลบุญที่ไหนก็ตามเนี่ยก็อยู่ตรงถ้ากลางนั่นอะอยู่กับคนคนนั้นน่ะอยู่กับท่านผู้นั้นอะท่านไปทําเอามาจากไหนก็จะไปอยู่กับท่านนั่น่ะ ไม่ใช่ว่าไปทําตรงนั้นแล้วมันจะอยู่โน้นทําแล้วมันก็มาอยู่กับท่านผู้นั้นะ่ะผู้ที่อยู่กลางเนี่แม้แต่เราจะไปทําอยู่ประเทศอินเดียเวลาทําอยู่โน้นแต่บุญนั้นน่ะจะอยู่อินเดียก็หาใช่ไหมก็มาอยู่ในถ้ากลางนี่แหละอยู่กับท่านผู้ทำนี่แหละผู้ที่ผู้รู้ที่อยู่ค่ากลางเราเนี่นะ มารวมอยู่ตรงนี้หมดและแม้ที่จะไปก่อภพก่อชาติชีว่าไปเกิดนะก็ท่านผู้นั้นและไปก็บุญของตัวเองมีเท่าไหร่เขาก็เอาไปหมดอะมันก็ไปด้วยกันหมด แ, แต่สำคัญว่าการไปนี่นหละมันไม่มีใครรู้นี่หนละปัญหาอีตรงนี้แหละมันยากเอยเดือนะแม้แต่จะไปสู่ อบายภูมิก็ดีแม้จะไปสู่สุกติก็ดีมันไม่มีใครรู้นะ่ะมันไม่มีใครเห็นเนะวลาไปนี่เท่านั้นเพรามันสลับซับซ้อนน่มันปิดบังอย่างลึกซึ้งนะไม่ได้เห็นง่ายๆนะมันปิดบังเราอย่างที่ว่าจนให้คนปฏิเสธนูนะ่นที่มันไปเนะ่ะเหมือนกับเราที่มานี่กั มันก็ปิดหนทางเราล่ะย้อนหลังเป็นไรสิล่ะไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วข้างหน้าที่เราจะไปอีกมันก็ปิดอีกเราก็พากันมาทํากันนี่ยนะก็เพื่อนลล่ะนะมันจะปิดจะเปิดอะไรก็ตามน่ยก็ทากันอยู่นี่แหละก็เผื่อมันอยู่นั่นนะอยเพื่อขนาดไห น, นมันก็ปิดอยู่ขนาดนั้นแต่ว่าฝนมันจะรับห่ะถึงจะปิดมันก็รับ ถึงจะเปิดมันก็ได้รับก็เพราะมันอยู่ในตัวเขาแล้วเขาเดยทําแล้วนะแต่มันไปแบบโดยที่ว่าลึกลับแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ยังไม่รู้ในเะบื้องต้นว่าเขามาอย่างไงและเขาไปอย่างไงพระองค์ก็ยังหาเลทรงสารไหม่ ตอนที่พระองค์จะได้ตัดสลูนี่เรากที่ว่ามันเกิดปุเพนิวาสานุสติญาณจูตูปตยานอาสวัคยายานนี่ตอนที่ตัดสลูนี่เราจึงได้ใคร่ควนในพินิจพิจารณาทวนหลังพระองค์ก็จึงได้ทรงทราบวิถีการเดินทางของพระองค์มาแม้กระทั่งถึง บุคคลอื่นพระองค์ก็ทรงทราบมาเคยได้ทำอะไรมา เ, เมื่อพระองค์มาทรงรู้อย่างนี้แหละเปิดของที่ความอยู่ให้หายขึ้นแล้วพระองค์ก็จึงได้นำเอามาสอนเราเนี่ยนะที่นี่การสอนท่านก็สอนโดยเจตนาดีถึงท่านจะสอนขนาดไหนก็ตาม แต่ว่าตัวภายในของเราเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นอยู่ตามเคยน่ะแล้วมันก็ยังปฏิเสธของมันอยู่ตามเคยนะก็เพราะมันไม่เห็นก่อนที่มันไม่เห็นมันก็เพราะอะไรนะก็เพราะมันไปอยู่สองฟากฝังสิฝังที่หนึ่งก็คือความยินดีฝังที่สองก็คือความยินราย ฟังที่หนึ่งก็คืออดีตฟังที่สองก็คืออนาคตที่นี่มันไม่ได้ลงเป็นกลางให้น่ะสิความเป็นกลางมันไม่มีก็ไม่รู้ว่ามันจะไปรู้เห็นอะไรแัวเพราะมันไม่อยู่ส่วนอดีตมันก็ลากหนีไปซะส่วนอนาคตที่ยังไม่มาถึงมันก็คานวณไปหนึ่งว่ามันจะไปยังไง ส่วนความยินดีมันก็ยินดีในสิ่งที่มันได้ดีมาส่วนความยินร้ายมันก็ไม่พอใจกับความยินร้ายมันก็เหี่ยวแห้งใจเกิดโทรมนัดก็คือความทุกข์ใจ แ, แทนที่มันจะลงไปตรงกลางมันก็ไม่ลงซะแล้วจะไปพินิษ์พิจารณาอะไรมันก็พิจารณาไม่ได้ละท่ ในส่วนกลางนะในส่วนภายในแต่มันก็ได้แต่ภายนอกเนี่ยนะเอาแต่ข้างนอกเน่ะหยิบยกเอาข้างนอกเนะี่หละออกมาว่ากันที้นี่นะออกมาวิญญาณกันที่นี่นะแต่มันไม่ได้เข้าไปสำจีนะี่ที่นี่ไอความรู้เห็นอันที่มันเป็นมาเนี่ยที่เราเป็นมาเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ ที่นี่การที่เราจะไปข้างหน้าเราก็ไม่รู้อีกแล้วมันปิดไปหมดแต่ว่ามันปิดว่าอย่างนี้เนะี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไรนะก็เรียกว่าอาวิชชาเ น, ะนะนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เลยเอาอันนี้มาให้เนระคืออวิชชากนะ็ได้แก่ความมืดคือมันไม่มีวิชาแนละ้มันก็มืดจันทะร์นั่นแหะพระ อ, องค์ก็ตั้งเอาตัวนี้มาให้ มาให้ใครก็มาให้จิตทั้งหลายทั่วโลกนั่นละก็ไม่ใช่เฉพาะแต่เราหรอกนั่นก็หมืดบนอนนการกันโดนี้แหละเพราะฉะนั้นแหละเราควรนำเข้าไปนำเข้าไปตั้งแต่ปลายจมูกเรานี่แหละตามช่องปลายจมูกของเราและก็ตามลำคอลงไป ก็เข้าไปหาปอดนะแล้วก็ย้อนออกมาเข้าไปออกมาอยู่อย่างนี้ก่อนแล้วก็กำหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธเข้าไปนี่แหละการกระทานี่แหละการปฏิบัติเราอย่าไปเข้าใจแต่ว่าบริกรรมแล้วกำหนดลมหายใจเข้าใจออกก็จะว่าด้ถูกจะบริกรรมอันใดก็ตามมันก็หายใจอยู่ตามเคยนะนะว่าจะยุบหนออ่อ พองหนอ๋อย่างเนี้ก็หายใจด้านหล่ะก็หายใจเข้าไปเรียกว่าพองหายใจออกมากเรียกว่ายุบมันก็อันเดียวกันนั่นหายใจเข้าใจออกแต่ว่าเมื่อเข้าแม่ออกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะให้มันเข้ามันออกอยู่เพียงแค่นั้นผลของการเข้ากันออกผลของการกําหนดก็เพื่ออะไร เราก็ต้องคิดเขาก็ประสงค์ความสงบนะให้ทำนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะให้ตามลมอยู่อย่างนั้นตลอดปีตลอดชาติหรอกไอ้ลมนะ่ะมันถึงเราจะตามก็าตามไม่ตามก็าตามแต่มันก็เข้าก็ออกของมันนะแต่ผลประโยชน์ของการที่เรามากำหนดนั้นนะเพื่ออะไร ก, นนะก็ทำความเข้าใจกันบ้างสิพวกเราเพื่อความสงบนะ เมื่อสงบแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับลมนะเราก็จะได้พิพจารณาธรรมนะถ้างั้นก็จะมาจะกําหนดลมเข้าลมออกอยู่นี่นหะการที่จะไปพิจารณาธรรมที่จะให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเนะ่ะมันก็เลยไม่ได้อีกละมันก็ได้แต่แค่ลมอยู่านั้นแตะตลอดปีตลอดชาติแต่ธรรมะอันที่มันจะเกิดขึ้นนะกับการพิจารณาธรรมน่ะ ที่เราได้ไปอยู่ด้วยความเป็นกลางธรรมะอันนั้นมันก็จะได้ละเอียดลึกซึ้ ง, งมันก็จะได้ออกหนีจากจากพวกอวิชชานะ่ะมันจะได้เปิดประตูออกบางสอันนี้เขาปิดประตูตันมดเราไม่มีทางไปเลยมีแต่วนหน้าวนหลังเขาใส่ลูกกรอนอะไร ก็หาเลยรู้ไหมนี่จะปิดประตูกันตัวเองอยู่นี่นะไม่รู้จากทางไปไม่รู้จากทางมาที่นี้เราก็เข้าไปเปิดประตูบางสิประตูอวิชชานะ่ะมันปิดเราว่าทำไมที่ในการเข้าไปไปเข้าไปตรงไหนละ่ะ ก็เข้าไปเลที่ทํากลางหน้า อ, อกานะแล้วไปอยู่ด้วยความเป็นกลางนะกางอาดีตแล้วกางอนาคตกางความยินดีกับาความยินร้ายนะคือมันไม่กระทบทั้งสองฝั่งไม่กระทบทั้งสองทางถ้าอยู่ด้วยความเป็นกลางเนได้นั้นแหละ พระอมก็จึงได้เรียกว่าเป็นมัจฉิมะคือความอยู่ทุกยควเป็นกลางนี่กลางข้างในเนะี่ยกลางของธรรมะกลางมรรคกลางผนนะ่ะมันจะเกิดมรรคเกิดผลนนะ่ะอะไรมันก็จะเกิดสิทนธะิ์หูทิพตาทิพนะมันก็เกิดในนั่นนะ่ะมโนมยิธิอิทธิฤทธี ก็เกิดในนั้นนะอภิญญาณน่ะมันก็เกิดในนั้นญญนะฌานมันก็เกิดในนั้นนะที่นี่เราจะพิจารณาอะไรล่ะมันก็ง่ายสิแนตะ่เข้าไปอยู่โดยความเป็นกลางไม่ใช่ว่าจะไปอยู่แล้วก็อยู่สบายแล้วก็จะอยู่ไปก็ไม่ใช่นะใครควรพิจารณาอีกทีนะเพื่อจะให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อหาหนทางออกนะไม่ใช่ว่าจะไปหมกอยู่ ไปแล้วให้หาหนทางออกจากพวกนี้นะพวกอดีตพวกอนาคตดีในอดีต ด, นนดีในอนาคตนะร้ายในอดีต้ายในอนาคตกนะ็เพื่อเราจะหนีพวกนี้นะไม่ใช่ว่าจะไปอยู่นะเราต้องคิจารนาทำให้ดีนะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ลึกซึ้งอนส่วนประเพณีนิยมของพวกเราเราก็ทํากันอยู่ก็ทํากันอยู่อย่างนี้ น, นี่เป็นเป็นประเพณีนิยมทําเพื่ออะไรก็เพื่อความเป็นบุญเท่านั้นแ่ะแต่ว่าบุญนะั้นมันอยู่ตรงไหนเท่านั้นแ่ะก็คือท่านผู้นั้นแ่ะผู้ที่จะเข้าไปอยู่ด้วยความเป็นกลางนั่นแหละก็ถ้าเข้าไปนั้นแล้วเรมันกระบทละที้ ที่นี่เราจะเข้าไปได้หรือเปล่าละเข้าไปในนั้นมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีแตว่ว่าพวกชานพวกญาณสิ่งที่มันกดชานกดญาณนะสิ่งที่มันจะทำลายล่ะก็พวกกามาสะวะหอวิชาสะวะก็พวกอาสะวะก็คือพวกกิเลส ก็มันกระทับถมก็อีกแหละมันก็บจิตบังนะไม่ใช่ว่ามันจะมีอย่างเดียวหนะนั่นนะ่ะเราจะเข้าไปแก้พวกนี้แหละ่นจิตแต่ล้วนลคนนะไม่ใช่ว่ามันจะไปปรอดสะอาดเมื่อไรเราไอเราที่ว่าเราบริสุทธิ์มันก็ว่าเขาได้ยี่เรา บ, บริสุทธิ์ภายนอกเราไม่ได้ประกอบสัมมาอเราไม่ได้ประกอบความชั่ว จะเป็นความบริสุทธิ์ในทางกายทางวาจาของเรานะก็ได้อยู่ละแต่ส่วนภายในนะสุธิอสุทธิปั จ, จตังนะความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็เพราะตนเนะนี่ยมันตรงนี้สิเราควรเข้าไปดูสินี่วิธีการปฏิบัตินะทางที่เราจะปฏิบัติ ไม่ได้เข้าไปหาใครนะแล้วไม่ได้ไปเกาะใครนะไม่ได้ไปขอใครนะตรงนั้นไม่ได้ไปอ้างถึงใครนะแต่เข้าไปถึงนั้นเราไม่ได้อ้างใครแล้วไม่ได้ไปเกาะใครแล้วเป็นอิสระเราจะเดินไปด้วยอิสระแล้วก็ไม่ได้ไปอ้างว่าคนนั้นเป็นนั่นองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้ล้วไม่ได้ไปอ้างแล้ว จะไปอ้างอะไรล่ะก็มันเรื่องของตัวเองล่ะจีเข้าไปถึงล่ะแล้วไม่ได้ไปอ้างใครเราตรงนั้นอ่ะอ้างตัวเองเท่านั้นคืออ้างข้าอ้างอยู่ภายในเรามันไม่ได้มาหาอวดคนหรอกมันรู้ของมันน่ะสิมันก็หาหนทางออกของมันน่ะ นั่นแหละมันจะย้อนหลังได้นะในอดีตจะพบในอดีตตชาติอาจจะปรากฏบ้างแต่เราก็ไม่รู้ mm. ก็ไม่เคยได้ประสบพบเห็นในนิมิตอะไรต่างๆซึ่งมันแสดงบอกในเรื่องของเกา่าของหลังบางอย่างเนี่ยมันก็เกี่ยวกับพวกอดีตนั่นเกี่ยวกับการกระทำของตัวเองที่เคยทำมานะ่ะก็คือกรรมนั่นละกรรมที่เคยทำมาตั้งแต่อดีตตชาติ มันก็บอกมาสิมันก็บอกมันก็บอกอดีตชาตินะก็บอกเรื่องกรรมแล้วมันก็ตามมาสนองมันก็ยานมันก็เกิดในนั้นน่ะแม้แต่อนาคตบางทีมันก็บอกบอกหนทางจะไปที่นันมันก็บอกในตัวของมันสะเมื่อมันบอกเราก็ต้องไปที่น่ะ แล้วก็ต้องเดินตามที่เขาบอกแต่คือตัวของตัวเองนั่นนะสอนตัวเองนะ่ะตอนนั้นนะเป็นเอกเทศเราจะต้องไปของเราจะไปใกล้ไปไกลได้ขนาดไหนล่ะก็แล้วแต่อายุของเราสิกำลังจะได้ดีก็ามาตายซะอย่างนี้มันก็มีแทนที่จะได้ดีซะล่ะพอเริ่มจะได้ดีนิดหน่อยกำลังจะเริ่มไปแล้วนะ มัจจุมนันมันก็เลยมาตัดรอนใช่ไหมเลยมาสังหารไปอย่างนี้มันก็นี้เหมือนกับพระอาริยเจ้านั่นแหะแค่ไในโซดาบัณฑนะแทนที่จะบรรลุไปถึงอนาคามไปไม่ได้ ม, มันตัวร้านมันตัดก่อนคือมันตายก่อนอย่างนี้ก็มีที่ไปอยู่พรหมโลกกันน่นนะที่แบบเป็นไปอยู่ชั้นสุดทาวาสหรือไปอะไรเนี่ยก็เพราะอายุนะนะั่นแะแทนที่จะบรรลุอรหันต มัจจุราชมีจัดการก่อนชแค่โสดาบันแทนที่จะเดบันรู้ไปถึงมันก็ไม่ได้ให้ไปเอาแค่นั้นก่อนก็พอได้ไปสเสวยสุขสะก่อนแล้วก็จะได้มาเกิดอีกสะก่อนนะั่นแโสดาบันเนี่ยก็มาเกิดเพียงเจ็ดชาตามตำราว่านะเอกพีชีเนี่ยชาเดียวกุลังกุละสามชา สักรตุประมะเจ็ดชามันมีอยู่เจ็ดสามชั้นแค่โสดาบันีก็ไม่ใช่ว่าโสดาบันแล้วก็จะเสมอกันแค่โสดาบันก็ยังไม่เสมอกันก็ยังจะมาเกิดอีกซะก่อนชาดหนึ่งซะก่อนบางองค์ก็สามชาบางองค์ก็เจ็ดชาก็เพราะมัจุราตนั่นแหะ มันมาสังหารเจ้าก่อนใชนะ่ไมมันกลัวเราจะได้ดีในขณะนั้นเอาไว้ก่อนเนะี่ยอย่างที่เราเนี่ยกำลังจะได้ดีได้ดีนี่ทีมันเกิดมาสังหารใเนะี่ยมันเป็นนะพวกมานเนี่ยเรียกว่ามัดจุมานเพราะฉะนั้นนะ่ะพวกเรานะ่ยนะอย่าพากัน ประมาทในชีวิตคือความเป็นอยู่ของตัวเองให้มากนักถ้ามีโอกาสและเวลาก็ให้พากันสำนึกบ้างและก็ให้พากันกระทำบ้างทำก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกแต่ว่านั่งนี่แหละมันยากกนะมันลำบากนะนั่งนะน้อยเดียวก็เท่านั้นแหละเจยวก็แข่งก้าขาเนี่ยนะ ไอ้อตัวนี้แหละมันตัวไจะลาบากกว่าครไม่นั่งมันก็เจ็บซะปวดแข้งปวดขาใครนั่งสบายก็นั่งได้แต่มันก็ไม่ถูกกับระเบียบของการที่จะนั่งภาวนาใช่จะนั่งฟังมันก็ฟังไปก่อนละจะนั่งภาวนามันก็นั่งขัดสมาธิเหมือนกับพระพุทธ ล, ลูกนะจะนั่งขัดสมาธิยังไงนะก็นั่งอย่างนั้นะที่พระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนั้นแล้วก็ต้องเอาตามนั่นแหละ แต่ว่าการนั่งเนี่ยมันลำบากถึงจะลำบากมันก็หากมีส่วนศรัทธามันก็หากไปพอไปได้แต่เจ็บถึงมันก็เจ็บหรอกแต่มันก็มีสิ่งที่ตอบแทนสิ่งตอบแทนความเจ็บก็คือบุญกุศลนั่นแนะถ้าหากว่านั่งได้ก็คือความสงบสุขนั่นนะมันก็มีสิ่งตอบแทนนี่นะ่ะไม่ใช่ว่ามันจะเก็บแล้วก็จะเจ็บไปโดยไรประโยชนนะ์ แล้วก็พอออกจากภาวนานละมันก็หายหรอกมันก็ไม่ใช่บาดเจ็บไปตลอดหรอกแต่มันนั่งยากมันมีสิ่งตอบแทนอยู่นะก็ให้เราเข้าใจกันบ้างเหมือนกับเราทําบุญนะนะให้ทานนะะเราทานไปร้อยหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยเราถือว่ามันมีตอบแทนนะเราจะให้น่ะเราจงทานนะนมันก็เหมือนกันนะนี่ยการภาวนามันเจ็บเนี่ยมันก็มีสิ่งตอบแทนน่ะ ก็คือบุญกุศลนะถ้ามันได้ความสงบก็คือความสงบนั่นแหะตอบแทนนี่ใจสบายนั่นตอบแทนนะแต่ขามันก็หายออกมาแล้วมันก็หายก็ทำงานได้มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปเลยเราก็พากันคิดกันบ้างก็อย่าไปคิดแต่ว่ามันเจ็บซแเรวก็เลยเลิกเลิกกันเลยแล้วก็ไม่ทำเลยม่ก็ไม่รู้ว่าจเจ้าอะไรมาให้อีกล่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำกันยังไงนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นลหละเราทุกคนที่ได้เกิดมานะ่ะสมบูรณ์แล้วด้วยความเป็นมนุษย์สมบัติเราควรที่จะรักษาคุณสมบัติอันที่จะนำให้เราเป็นมนุษย์สมบัตินี้เอาไปบ้าง ที่องค์สมเด็จท้าวูมีพระภาคเจ้าพระองค์เอาชีวิตไปแลกมาก่อนที่เราจะมาได้ก่อนที่เราจะได้มาพระพุทธปฏิบัติอ่นี้พระองค์เอาชีวิตไปแลกมานะ่ะผู้เดียวน่ะครั้งแรกต่อมาก็ยิงค่อยมีพระสงฆ์พระองค์เอาชีวิตไปแลกมาแล้วเราก็จึงได้พากันมาเห็นมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาแย่งเอาไปเรา พระองค์ก็เพ่อว่าจะให้เธอทั้งหลายน่ะจะได้ถึงซึ่งมนุษย์สมบัติถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็ให้ได้ไปเกิดทางที่ดีบ้างนี่เพื่อจะได้เป็นมนุษย์สมบัติบ้างความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้เราเข้าใจอย่างนี้ถ้ามันถึงที่สุดก็ไปพระองค์ก็ไม่ได้ว่าถ้าไม่ถึงก็ให้ได้มนุษย์สมบัติบ้างก็เหมือนกับเราได้มนุษย์สมบัติล่ะถึงจะยากจะง่ายมันก็ได้แล้วนะมนุษย์สมบัติ กันอยู่กันอย่างนี้แหละก็ทะเลาะกันก็ทะเลาะไปเชียงมันก็เชียงไปฆ้ากันก็ฆ่ากันไปแต่มันถึงแล้วมนุษย์สมบัติจะทํำยังไงมันก็นอยู่จนชีวิตหาไม่ น, นดังนั้นแหละเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังมาที่ได้อธิบายมาก็อพอที่จะเป็นที่เข้าใจและให้พากันกําหนดจดจำเอาไวา้เพื่อนํำมาไปเป็นข้อคิดและ เพื่อจะไปประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามขออนิสองส์อ น, นั้นจงบังเกิดแก่ท่านผู้ฟังและผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่สติกำลังของตัวเองที่จะปฏิบัติได้ดังที่ได้แสดงมาเนี่ยก็สมควรแก่กะละเวลาเอวังก็มีด้วยเปริกาละเนี